ในวาะมันเป็นแบเป็นดำเขื่อนวะแต่เราเรนจากนี้ว่าตัวสะทันุดที่เกิดตันดีตาคือสิ่ที่ทำวัวคาระอ่อนนอนอมตัวยูสมกใจชมว่าใจามร่าใจเด็กมอง่นอันสูงสุดเด็กมงเพินอันหยิ่งง่นจะควรสนใหญ่้ำั้นเขาวะันจัดมนุษ เงินเงินเศษเงินไเงมือเงินหมา็ขาสีเหลาสีหงอนปอกกันลายโถลายเสียงคนจีนเรามีความคารวในแต่ช้านี่ในบุคคลในปู่เาแต่านเวลาเป็นบาปเป็นกรรมเยนได้มือเจ้าบาปกรรมนเป็นเถียรคนช่ำนแยบเป่นฟอนโตู้้กันเห่ากันเสียงลันมือมมีความ ขกเหนออื่นเกิดมากสอาดหนาด้ลูกโยเรียมากก็ดีูกเพื่อหลวมันก็ดีเห็นตัวลูกตาคือมี่เจเราอย่างเวียดีเวีบงามารุกตพูดายท่านพ่าสงุกมากกัดลูกเวีดีลูกเรียมาเรี่อวียดีเด็กเ่อมากเชื่อเวดีเชื่อี้หิเชื่อนาแตกกันบ้างหควดียิได้ ออกขยบคาราวะในสถานที่ก es que ูจะยื้อใสถานเราเบื่อกายเพมการโดดบอสเต้นรำบอสครับหลอกบอยิงเล่นในสถานที่ยังน่ะท่ามใต้ท้องสงบเงียบคาราวะไปมาะเดือดฟันี่จะตีรักษาบอไปเดือดกระโดดโหเต้นบอ ่วา่ครับลอกตรกันในสถานที่ที่เขารบเพลาวะผู้นั้นเป็นเสือเป็นผู้ทำดีมี่ราโง่ลาวะใน่คิดไน่ใจตายไปในสถานที่ดีใหนดูไหนเต่าเลยเพราะเดยนมากแต่นดีรายนอนสอนง่ายตัวเารบเตายเขารบยางนั่นคือผัวทำเรื่อเต้อการวิธีการไป บ่เรครับลองบ่อกบ่ตยบ่หญิงบ่อลนในสถานที่ควเคารพบูชาบ่เทปล่ยนผ่านเร่ในสถานที่ย่างนันเรียกว่าเารเกิดกายเขารวาจาแต่เรามัรักษาบ่พูดยงดังบ่หลบ่อบ่องบ่หบ่จริง เ็นอาการโมคว่นเกิดกินแต่จนต่างๆสั่งตาเทวบรักษาปากโผเขาห้อารักษามันจะคิดโมเป็นโม้คว่นให่เป็นคนปากเงาปากเหม็นเป็นคนบ่ดีบ้ง่ายว่าออกใจอยนี้ว่าต่อมมันบ่หอมมันเงาเห็นเขาบอกก รักษานอกัานก็่ไหมคุณคนปากกูไม่พบนาบาดนาเป็นเนฮือกหนวกทำาหนผู้อื่นลำาน่านหรือพวกพนหราก็รักษาพอวัดเป็นสี่ขรบบูชาบนสัตว์าทานกี่เออเสลืกแค่ห้าบนสัว์ทานกี่เจ็ดล่ำแล้วว่างรักษาเอาไว้ตลอดทึงงัางใจงสังเกตเมือึั้พุทธธรรมทงสง คนปฏิบัติดีปฏิ บ, บ, บัติชอบหมดกิเลสปัญหานี่กายบริสุทธิ์มี่วาจาบริสุทธิ์นี่ใจบริสุทธิ์นี่ฉันถือว่าเป็นเนื้อสำคัญทางศาสนาถูกวัดถูกว่ามีผู้คนประต่ายก้อนล่างไหลไปทําบุญสุนท่านไปทำบัตรทาว่ารับราบั้งธรรมะจากคู่อาจารย์ในวัด น, นั้นๆ พอเป็นวันแปลวลาหน้าภาษาบัณฑเท่าาเป็นงันออกพันสาคือพระเจ้าพระสงฆ์ามเดเนจนเดืนสมาท่างภาษามาแตงแค่สิบเดือนแปดเทมาถึงจนจุดเ็ดเทเป็นเวลาสามเดือนเป็นระยะเวลากี่ค่ะาวพระสงฆ์เดิ่เข้าภาษาถึงหมนีเป็นหมู่ออกพันสาคือว่าเป็นการสมัยเป็นโมคุน แตไมอันนี้ถึงในขั่นสุาตานันก็เคยเอาพันศาแล้วก็จะเจ้าไปยําพัาดาวดึงเกิดเด็ดลงมาจากดาวดึงในวันนี้ออกพันษาแล้วมีสีข้นประชาชนทั้งหลายก็จะรับจะรับข้ามจากข้นลอกจากนั้นขึ้นกะเบิดโลกว่าในเรืนังสีธทรมดหลระเบิดโลกซ้ำๆในสัตว์นรกนี่ได้เห็นเชื่อวุฒิเชื่อกะดา พวกเพื่อว่าดามนุษย์เห็นเราเปิดโลกแห่เห็นพระองค์เสด็จลงมาจากดาวดวงเดีวกันได้เจ่าันไดเงินใด้ท่องนี่พวกเพื่อพุทธเพพระจีดาอินส้มแห่เห็นลงมาผูกเชิมเบล้าช้นตลอดที่สัดจสารเดี๋ยวเห็นพระองค์ความเหนเพืพระเจ้าท่างร้น้ำทรงคือมนุษย์โลกฆ่ากันปืน มีใจใสใสกับปาถนอยากเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะหมดแดงดำหมดแดงกป่าถนาอยากเป็นพุทธเจ้าเชนไเพราะความอัศจรรย์เห็นโมกุ้งสมัยอันใดโตทาให้กู้งป้นตาส้นแต่ว่า่งชาตาชันี่มองเห็นอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะคนเป็นผู้เลิศเิดเศษหรือยเดดเดหรืออาเด็ดขามพวกตานาลกทั้งหลาย นเนมารุดเท้นเรวุฒเทวดาไปจากคอนอ่างหน้าโลกมีโลกใหม่เด๋ยวร้อนหุ่นไร้มนื้อกาหายจิดในจินในใจเหนือคนไปไดนเหมือใดถี่มาทำบุญคุ้ท่า น, นต่างสึ้ ง, งามคว่อดีจิดเชัดหลาในการทำคิดผูวคิษคิดคิษท้องตัอนี่เป็นซัดนรกผัวไปจิตตาธนาในใจยางนัมม่นวมาุดทั้งหลายเลี้ยงลงไปเห็น สนนิโมกใหม่เดือร้อนอยู่ในนรกหัวหิ้วหลังใจเนาสูกพร้อมต่างๆหน้าๆข้ายย่อมทั้งหลายเทอร์มานตายของเขาให้ได้รับความเหล่ร้อนหได้รับความลำบากโดยบากรมที่ทำไวมรรคทั้งหลายเเกใจไ่อยากท่านเสท่านเสียต่อไปเน่ล้าขึไปทั้ง สันสรเห็นเสพพุทธเสพพิดาอยู่ต้าสยุนั่นความเป็นอยู่ทุกข์าำลังสะดวกสบายมนุษย์ทั้งหลายแต่อย่าช่ำบุญซึงท่านอยาจะเป็นนังฝ้าเคื่อวัดากจะเป็นเสพพุทธเก่ยฝ้านี่เป็นวันเกิดโลกพระพุทธเจ้าเกิดโลกและวเกิดโลกทั้งสามเนัดทั้งหลายได้เห็นกันเป็นตก้าไห้ ในตัรับตำล่างในตำมหน้าเป็นปุขลาพิษฐานเด็ทุกคนในเด็กที่พิจรารณาละตัวํมเพ่นดีต่อไปหา้าเท่าบิชิบไข่กินพิจรารณาเขาวัดเขาว่าเอเกอกระเท่ห้าอย่ากหลออร่ำทำเท่งหยกดนื่องฟื้นอยากจุดกระโปกประทักอนไดประเทศไปตามอัเนเพื่อใจข้องเท่าหานั่นมันเป็นทางตัวทางเสีย ทางบอดีบางามให้เกิดขึ ap, star am, star ้นแก่ต live ัวคลองตัวผู้คนลักความสงบผู้คนต่อการความสงบผู้คนนางภาวนาเดินโกมตำราจิเลศของคนก็เลยยื้อเสียงอุต์ถือครือค้ยยืเสียงเสียงประทัดนั่นหนีขึ้นมายิดใจแล้วเล่ร่อนยึใจเปนตัวนั่นหาความสงบสงบไ่ได้เข้าพู้ท่านบอดีมุงยั้งส ต่างบาปต่างกรรมจะนั้นเป็นบาปเป็นกรรมในตัวหรือครอบบรอบพรอบคอบบริวจักเวลาบริวจักจามานบริวจักสถาน ท, ที่อยาง น, นั้นใถ้ากันมินิพิเจน่าแกไขเรื่องของตัวอยากเปิอดอยากเชิอมยากจะเปิเดเช่อมน่ในสถ้านที่มีตรมีสะาทานเป็นต้นแล้ววัดว่าบสถ์พิหารครูบาอาจารย์ผรู้าปุปฏิบัติอัชธรรม เป็นฟูเซนี่และสถานเป็นฟูเซนี่และวัตถุที่คนเทารบตังกาวหวข้าวบีีชิเจน่าไปทาเสือท่านเสียในสถานที่เทารบตาวไหวมันเป็นบาปเ็มกรรมบาปที่ข้าวทำไหวตนคือได้สิอย่างที่เอาไปตัวของข้าเองนคือสิได้รับบาปกรรมต่อไปเกิดชนมาบคคลบันคือเมื่องคนที่มัเอาบก หกระหวกซะตากระบกซะปากกระตู car, 就 block, 就ัซเม่อถึงจะเอาไปเทียบได้ได้ไหมยังมีก้าขาโมเกลยังคุยได้ยันไดสีกาีเ <Noble> ขียดสีถ <Yeah. S 2> ูกทุ๊บทั้งก็ต่างว่ามบอดีเอาไว้มันเกิดขึ้นได้จากสามข้อทอมมันไม่เกิดขึ้นมาจากเชิงอื่นว่าสั่งเห้นงรมันบืดีบางงามเชงไรมันเป็น เผอเป็นไทยไหนละ่ะอย่าไปถ้ำแล้ว่างรักษากายว่ายใจทั้งตนเน้นสีสอบสียิ่งดีแตคมเชีเอาไหวในแต่ช้านี่บวบังค่วนผูกข่วนจนใจรักษาไหวถึงคุ้นงานความดีไปแต่ช้านี่ใด้บ้านนั่นนี่จินยามารยาไม่ท่า น, น, านมีแน่เรยีมมยบร้อย เว่าผู้ใหญ่ผู้หน่อยสะานขึ้ไดมีความสงบสุัดกายใจน่ะเิไหนเน่ยนาบัาเอาไปสารเสวนเนี่ยน้อยให้วัดตากมฐานเดิหนึงเล้านเดอมคือเดิมคนจังเง้ได้ผูบาอาจารย์ก็บาลูกศิดบาทุกว่าไปเปนตัวพมบนยู่เมงเาไปเือเสียงอันดีอยากจะเชื่อีความดี ถาการสอนกันถ้าการซอนใจก็คล้องของบอดีบนี้คือไป่าถนาบนี้คือได้ยากได้ถ้าการลาบ้างรักษาไม่ยั้งหรอคนเราอยู่กันยื่นติยบบคุยกันแบบคุยกับคุณนอกลัดเาบอกแล้วความบดีบางแมเป็นทางเตียทางเสียคือนเท็จนีท่อมยังคนเดียวแต่ท่ามเลย จำนวนคนเป็นหล่อเป็นพันเอาหย่างยางไปได้เหมืนจะมาอารัชชคนเดียวทำอารัชชีห้ยเสียหายไปไหญเป็นหล่อเป็นพันอารัชชีแต่ถ้าคนมันมียางอายคนบันมีความดีในใจในร่าจาาในใจท่องตงเอเนเดี๋ยไปผสมอยู่ในคุณใดสังคมใดพวงใดจะท่านพ่วกนั่นหายเสื่อมเสียไปเหมือนกันกบตาเนา่า ถึงจอืนมันบอท่านตายท่านเน่าแล้วแบบี้กินฟุ้งิดแปดแ่ดผ้าไปฮะตัวอื่นทำหัเน่าห็นเน้นลัดซี่เที่ยงค้นเดียวทาอรัชชีเห็ดดีเห็เลีไปได้แต่ท่านเน่าเดียวกันครับเขาเห็นจริยารรมะรอยาเห็นความดีความห้ามของคนคนหนึ่งดูในมือหน่ะบ้านนันเขากปสร้างเสริมมา้นบ้านนั่นเป็นคนดีเป็นคนมีจริยมอรยากนะ รักไายเป็นค น, นมีจินตยามา่ายยนน่าเลื่อมใสพอคนดีมีเพียงคนเดียวานัดก็นั่นบ้านนํางเมืองเฮาเฮาหันน้สัยเสียงเด่งดั ง, ง, งไปให้ทางดีขป้นท่านดีเป็นทา่านเสว่าตรงกันขา่ามว่าถนัดให้รักษาเอาไว้ความบอดีทุกอย่างถ้าการแก้ไขถ้ากันระวังรักษาวัดว่าเป็นผีคอยรบเป็นผู้เ็นอหลรกฐาน มึงยังซื้อหน่อยเห็นแล้วว่างรักษาเล็กเล็กเบ่งหน่อยมันก็มีพอมีแม่พอแม่มันแม่นําต่างสอนพอแม่มันเป็นคนดีลูกเต่ามันก็มาเด็กเดินตามร้อยแถวของพอของแม่เห็นหรล่าลูกม้ามันือกลายเป็นสัตงเป็นเสือเพื่ออะไรลูกสัตว์ลูกเสือมันจะกลายไปเป็นหมาอะไรลูกอันใดก็เป็นลูกอันนั้นลูกคนดีแต่มาอยากจะเพื่เปรียดีไปตามหล่อร้อยของพอของแม่ลูกคนเสือแต่ถ้าเมองเดียวกัน เพราะฉะนั้นเขาเป็นผู้เป็นพอเป็นแมแต่ให้แนะซ้อนเขาจังไงถสิเป็นอัตโมข้นสีน้าสื่เสียงเหื่อล่าบดีบองามหายแก่หน่แก่้านคือล้อยาก่ำอยากคูดอยากคิดที่นั่นก็ห้ามคิดห้ามใจเอาไว้พอเด็กหน่อยเขาจะคไปเป็นตัวอย่างทางบดีบองามจังไงมันดีมันงามถึงฝาฝนคิดใจแต่ภาพ้งแต่ทำบเพ็ญ อ่างหน่อยเขาเห็นเขาเกิดจอวัยว่าฟอรเมียเท้า้ำยางนั่นเต้ก็คือแต่ที่บาดยางนี่ฟอร์เมียเป็นบุคคอาจารย์เป็นอาจารย์หลงส่งของเด็กส่งนจะเป็นแบบขิมของเด็กถึงหอาว่าได้เนียสอนในฝาจะคิดวิยามารยาของเขาถ้าเหมเขาเห็นเป็นการสอนในในตัวจน้วลาผูกสาง่ันท่ำทึ่ถ้ำเหมือนเขาเห็นข้างลุงฮวนเยอะว่าได้การกระทํำเป็นการสอน ย่างเอกย่างวิเศษถ้าการที่มีพิจายนาสัคุ้นความดีมาะตอนเสกพระันสักบ่ายทาบุญจาชาเจ้าพระสงฆ์ในเตศกาลออกพรรษาทาวัดทาว่าไหวพระสวนมนตตามจริญนี้ตสตามความสามัคคของตัวต่อไปทำย่นนมะแต่เดี๋บูชาดอกไม้ถูกเทียน ก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จาบได้ทำวัดตั้งเศษตั้งถ้ำกำหนดชิดกำหนดใจอย่างเชนงบลังงับกลายเห็นฝูงกุ้งชิดเล็หนากไม่แม่เลําำบากลำข้างเขาเคยชิดเคยฝูงเคยสูงเคยแต่เราพูง่ายแ้วมันจะเห็นชิดได้ดีเศษเึ็นไห้โอกาสที่ใขามาวัดมาว่าในเวลา วันพระวันเจ้าเรือไม่วันการสมัยม ห, หาพระานายญานี่พากันกำหนดคิต ก, กำหนดใจอุทิศบุญกุศลจิตตนกำนหนดไหวใจสงบเพื่อแพร่ไปสู่สัพพะทั้งหลายนิบิดามานดาอุปัสสนาอาจารย์หรืสัพพะสัพพะทั่วไปได้รับความทุกข์ใจทุกใจหน่อยนี่สามี เ, เย็นเจ้าของสองพานจงกันและกัน ทำยึดข um ั mm. ้นใจทัうう้งนบแข้เยดตาจิกิดนึกอุทิศบุญกศลไปหากัรชางร้ายสิเดอด้อท่าน้าลูกมาซสงบระงับบ่เดือหล่อนบุนไหวบ่ิช้าทยบาทกันเอาบัวส่างคุ้นงา่ค่่่ดีอุ่ิ่ค่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ล่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่รับ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ เขาเห็นว่าฉี่มันเหม็นแข่งนขนมตรนข้องอยากข้องกินโซงนั้นเข้าไปหาเวลาได้ตอนเยบ่ายครบพเหตุใดเพราะมันได้ได้ของดีอยู่เท่ากับค้อกันเถอะอุทิเขาตัวไปหาแต่ปวอยไจงไปอิจฉาพรยาบาทเขาเหล่าจิวทิศความเสี่ยไปให้เขาเขาบวรับดอกซทั้งหลายก็ดีเห็นบอลถือควานไกลมันก็แล่นนี โลคว้ามันก็แล่นหนีม้ามันก็แล่นหนีมันด่านชายด่านจีเขาเอาเขาหล่อแต่เลี้ยงแล่นนนหนักหนักมันเห็นบมันมเต้ามันแล่นนกคูบาจันเห็นเขาเหีลเป็นม้าเป็นไก่เป็นสุ่งไนั่นั่งขึ้นันไปกินความดีทั้งหลายจะท้งนเดียวกันเขาคิดไปไหนพอแม่ที่นาะเวรุเทวดาสัพพสัตถุวงนาเขายินดีลับ อานุโมทนาเจื่อใจยงความัวนอานุโมทนาต่อานุโมทนาบุญได้นี้บุญไดอานุโมทนานำเพราะมันเป็นการมสิบซวยเป็นซึ่งสิบปาธนาเมื่อเขาวางเท้าความัวทถูกไปนี้บุญได้ปาธนานี้บุญได้จองการจัดเครื่อกันนุษย์เพื่อกันว่าเสนอความัวยูงกุญแจใจสงสารภาษาภาษาภาษาตะลนความัว กลัวไปยาสิท้ำควรละควรถอนกระตังทุกระตังเซโยความเพื่อัวถ้ำจะเลยดีกลัวกินระตักิทุกระตังพอคว่ำเพื่ทถ้แล้วจะเดือดรอดในภายหลังความเพื่อส่เขาถำไปมันหาฝนแจเฮาภายหลังเมื่อได้รับถุกรับเนี่ยลำบากลำข้านทุกคนเพื่อีเขาถำไว ให้ผลให้กำไรเกิดขึ้นในเสือคงเฮาเราผมมาต้องการความเสือเรานั่นเราไปเจาะตรงาบังให้ทําในกำเสัอต <miejsc> ่างๆบวาทางกายทางวาจารทางใจคุณได้เห็นได้ละเสือได้คุณจะคุณจะซื้อแบบนั้นไปท่าต่างคห้อนัางควันดีสั่งท่าสั่เส้นทางแพร่หน้าสั่งตายสั่งวาจารสังใจ ไปในทางอับทางข่้มดูสั่งความดีไปเสือตัวเสือเองผู้หนึ้งยื่นซ้อนเรื่อนุ่งเรี้องเน้นใช้จานสั่งสินนับวันจีข้อสสว่างแต่จางแจ้งออกไปเลือดมามีวันจีอับเสามามีวันจีเสยหายนี่คือการต่างความดีพระพุทธเจ้าสอนเหตปอบเวยกระทั่งบำเพ็ญบวชทาง กายทางราายทาใจทางสิ้นทางท่านทางพญานาคัวิห้สั่งใน้ท่ำพอาความดีเท่านั้นโลกสี่งนี้ท่ำสงบทุขควากลัวสี่งนี้ท่ำสงบสุขตัว่องตัวสิ่นี้ท่ำสงบทุขความกลัวแล้วตัวผ่องตัวเชิดขึ้นเนื่อไดสิ่ตัวไดท่ำไดพูดไดเิดในทางสัวทางเสียตัวผองตัวเองกับบื้อนแผดเปา้ วลาบกวสดได้ทำตัวสัเสียหายยางหนึ่งยางนี่โบกคว่สิได้พูดตัวสั่งลาบงยางหนึ่งยางนี่เดือดร้อนคิดถึงคว่ำัวเมื่อไดเขาตายเขาใจเขงตัวยู่เหื่อยใจมันจะหนล่ะตัวบนเพื่นดีสได้ทนหล่ยางนี่เวลาเป็นมงคลเลาเป็นองตเนเหนือมีคว่ำัวมีแต่คว่ดีแหละมีแต่สุขจิตสุ คือจน้าถึงเมื่อใดใจสีติใจเอิบอีนในความดีของตัวนี่คือสั่งความดีใจตัวเมื่อตัวมีความดีครอบขั่วเืีเวารักษาเยื่หันก็มีความดีไปด้วยราวบ้านนี้นี้โทษลูกก็ดีเมียก็ดีพรรยาไปดีเพราะความดีของห้องจะเหนือเพื่อแพร่ไจใน คเรานักให้รับความเยียดเยินกายใจของเขาห้องเสื้ห้เสียขวบเสื้อห้อเดื้อนร่อนๆุ่นวายนอกห่างเป็นไงตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติจะพ้อยเส้อพ้อยเสียไปเรื่อยเป็นจังรักษาความสงบรักษาความดีต่างแขนต่างข้นต่างรักษาโลกมระสงบระงับมีความปลุกปล้วสบายเวเบียดเบียน หลักโตกซี oh, ้บอสหาทีตบนี่กันโตกเหมือนกันเย็นเย็นเป็นอาจเป็นถ้ำบกบุดตันถ้ำคาสอนของผู้ชายเจ้าสนัด้านสีห์เหนความฝุ่ความเจริของกายของใจก็จะน่นฝุกควงโดนจำเอาไว้ละเสือมเพืนดีทรบคารวะในสถานขี่ควงทารบในบุกนั่ี่ควงทยรบดูเด็เด็กแ เต่าล้างเหรียกัเทลล์ต่อูใหญ่นนิอนุเทลลต่อพอต่อเมียถนผู้หากเหนื่อยตัวของเรามาเนตัวเพืได้ไปดูดันได้ากนั่นก็นำดันผิวจะเล่นอะเนาะพอปันอรเนื้อละเนื้หน่อยเขาดีอย่างนัน ก็้นผ่าๆไหลผ่านหน้าแต่ก่อนมีเส้งจับเสรนขนนี่จะเ้เนื้อไปคว่ายเ ท, ท่านั้นแต่ทีนี้ผาหน้ามันเืนมเป็มเพราะเนื้ควายมันเป็นสารส่วนหนึ่งในเ้ขู่ข้นคือหลังจะไม่ออกเ ห, หมือ น, อ น, นบกฝ น, น, นหน้าเท่าอำนาจอาจจะทำใหกวนเถอะ้าหลุดถ้า้านจะอายินรถเป็นรให้่เห็นรถน้นหน้า แต่ทำห่อนได้เดียได้หนยเขาฟังใครหอมใครนุ่ไปอวิ๋นตัวาเป็น่อากลดเป็นหอมได้หน่อยนีสักเขางามอยาลดนุ่วเปืนตนนี้ควาเปืนเป็นเลยปนเปนเคุณเป็นเน็นาสอน มันเป็นความผิงพุ่งบุกไเห็นเป็นจะได้เงี้ยจายตลอดแต่เปลี่ยนสั่งห้องก้างกลานี่ไยอะแต่เสือดิบดีเง้ควายมัถูกกินมันเติมมันจานี่แถวเวียนนั่งั่เอลยย่านระเบพิมเตตกนอบงินช่างสั่งกยอะเหลือหลา้านแล้วงานฟ้อมงานองต็เลยเขาจเติมได้แต่ควาได้หน่อยดิบขึ้นมางานฟ้อมเหรอ เหนพ่าเ่มายถึงประธานเเห็นซีนกเบล่ออันสมพันศาเป็นเงินดับ้งให้ชาวหน้าดยส่องไปรอกไม่จายเงินส่งจอยุสามันาในระยะสามเดือนถึงดูดฝนนอกจากสามพันศาตลอดใต้มาแล้ว ก็คือแจ็คของบรรยัตอันนี้สมของบรรจาบรรยัตเปิดโอกาสให้ถ้าโยอบ้ายตารถ้าบนพื้นทาบรรยัตจะข้นเป็นต้นยของหัเปกล้าวัับตำราโดนขีเดือัญหาวันนี้ยับอกเช้าวันนี้ยังสอบญช้าวันี้ังสาบวันเจ้า เราทำร้ายาแม่ท่านตาต่อตาหน่อท่านตาต่อตาไม่ถูกมีโอกาสเยล้วผมชี้จิดใจทั้งนูเดี๋ยไปไปหน่อท่านตาแล้วเกี่ยนแตใจเข้ามาออกดีปัญหาอย่างนี้ห้่อแก่ยก่งใจขั้งนู้นถ้าเป็นตาต้องารความดีเดีอยไปคื่อปัญหาเขากินสอยกินน้ำนี่นอ้วนไปละต่อท่านตาเดีว มันหยืนอยู่ไม่ครปัญหาอรแมบน้เรื่องปัญหาของเราจะมเืขอช่วยกัท้่ทบานอืนแล้วก็ยิ่ดือไปกงแนต้องมีความได้ดต่างเครทำน่ะทำเดืไปเห็นตองเราหาใหม่หายไปเรต้องห้ไปเหนื่อยขึ้นอย่งนี้จถอยมั้ยพรราใทพรรษาบนแบบคือได้ทำาะไรไหมหลาเือกเาบมีฟัน เร่องการเสียไปดูี่ทางปัญญาต้องดีเอาไว้เกิดมาทั้งชาติในกานขาทุนเป็นโมฆะไม่มีอันใดเป็นซาลาหให้โชดีที่ได้มาเกิดเปนมนุษย์ตัดเปกสารทั้งหลายเขาจะมีโอกาสย้ลาดมาเกิดนับจํามื่อนหลานได้ มือเท่าห่ปสองท้างอันสำคัญที่ชัดถ่วไปหือว่าเป็นโฉลักเห็นไหมคุคขิีหรือเป็นโฉกคุกคจีมือที่ระบายิ่งเิ่มเร่งเเปลือกกายชัดชี้ทางเป็นอบายกเพื่อนเป็นเพมอตั้งเป็นคุกคจิอินีบาเรซามาชี่ัง มักสั่งฝนสั่งชาติสั่งสียงสังภาวนาได้ว่าสามารถที่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยเจ้าได้เขาอาคับอับก่งตัวเฮาแต่นี่จะเงินหกตัวเฮาชนปวกแม่เครื่องหนึ่งเจ้าผงหนึ่งมุกละตัวเครื่องแม่ะเพศไทให้เหรเงินตัวสัดเรื่องหนึ่งมันก็นับได้ เมื่อมนหนกีเห้ามีโอกาสเยอะล่ามีวัฒนาสูดเดี๋ยมาเกิดเนมนุษย์รักษาสมบัติของมนุษย์ว้สักายสั่งใจให้มันดีไม่ทิ้อุตสาหยายาาใจในชีวิตของเง้าเป็นพ่งวีวางอย่างเยือกนชองแข็งแ่แน่นอนแต่มีสุขสมดีก่อมาเกิดบ่ดัจะซึเหนื่อยซึนตัว จิตใจจิตใจสั่งต้องดีก็ไปคูอจะหลงไหลเสียดนะขาดเยียวยาเขาตายไปแล้วคือเสือมาบอกห้วข้าบอกจะเช้หน้าโลกตัวดีไปเสียเป็นชี้ไปเสียไปตามอย่างที่ใจเสียใจไปตายขาดเยียวยาไปต้างคิดช่องอ่านใจนล้นนั่นเป็นมือปราจิจิเป็นท่าเบร์ดีบางเงี้ยสามหน้าท่าเสียว่าเราหมดไปไหนทุกขึ้นทุกประการไปแต่หมาตายขาดเยียวยาตายแล้วมันดับ ตายดับาว่าเห็นไมใช่้หมตายได้แล้วจที่จำว่ใจยังมีสนที่เด่น่อยนั่นก็เปได้รับช่วงทุกข์มรรคหม่ัวเมืองโกเป็นเิตมาตันเป็นเสตรากายตายเียบางานมาเสีย็นมรรคเกิดกรรมนหน้าเดือ้บนงาอีกม่ว่าร่างกายิดใจ นั่งใจกันเป็นอย่งใายึดเป็นยึดการิใจกันเป็นกิดใจยึเป็นยึดการคิดคิดอ้างที่ิดไปคิาไปไม่ายาลยคือบใจสายแค่แจ้งไงใจหลงกจไรใจคือใแล้วเมื่อไปตามหยดตามหยดซัวนั่นคอเกดกรรมที่ทำไวนำใหคนตือนั่นเรื่องยุู่้กายทู้ใจ ข้อดีอย่างใดเราปรารถนาต้องเชื่อรัทธานางนะมีาตีเกล็ทำน้อมเือความดีรักษาเอาไวสความดีเหมือนยังไม่คือเงินูตาย่อเล่าไปฮะมีน้ำชาตังลาทานมาฟูาท่นมาขอบคุณาความดีในี้นยูห้าสั่งห้าใจใส่ใจท่องเท่ความดีไม่ได้สั่ง ใสบันอื่นต้งสัไปให้ถ้าไอ้เจ้าสั่งไปให้วัดเหว่าให้บวชใหยืหานสังใสกายใสใจต้องห้าี่แลว่าสั่งได้ทานใดมันจะมีในกายในใจคิดใจกระเบดานที่ใจกระท่องใจคิดใจกระบดบานคี่ใจรท่องใจลูกขจิก็เป็นผีร้งได้ จิตใจสาวน้อเชืื่อจิตใจเบียร์จิตใจเวียนว่ายทกติตก็เป็นเียร้งได้เป็นหัวหอยยางอ่ะท้าชิดท่าศาสนาการสำลักท่านชิดมุกในความดีใจมันดีใจนั้นฟ้องใสใจนั้นเบาใจนั้นสบายนั่นก็มีทางหลือไปสู้ความดีต่อไปบาังเวีนทางบางทีเราถึงสี่ชุดแล้ว ฮะพูดท้ายเจ้าคระอาหารอหารต์นพี่คือพแล้วทันสะดวกสบายท่องเทนไม่มีวันคิดไปเลยทูกไปอย่างดี๋ยวร่บากร่ำค่าไม่พบฉากอยู่ตองพูดีพบฉากหนึ่งวางสิจเกิดไหมสถานคือยุ่ยมีความทุกให้สังเอา กาว่าเป็นโมเขิดของสมบัดเป็นโมเขิดของความฟุ๊งข้างหล้าสายตจากโซปาหน้าห้ามเป็นบนไดาห์เลยคืสวัสดิ์เสนอคือความฟุ๊งได้ท่านไปนอกต้องเปิดอผยท่างโซ้าอาหารกรมือ้านมกระทำไรใจ มีความฟุกงระลมึกคิถึงการกระท่าของเฮาเขาก็มีความฟุกทาใช้หน่านจิตกันฮะแต่ออกไปจากกายวาจาใจเ้ยเตทานอีกตัวเนาะละความฟุกอหน่อยกเอาความฟุกอันใหญ่ัดม้าว่าเดินไปคนพอน่าายจิตสงบใจทงความบเห็นได้ คือทางทายในีจสีดคว่ำกควสงบเป็นสังฆเกียน์ไ้มต่อของตัวเองรวาลักจ้าสีเป็นถ้าให้เกิดโรคาชา พ่อ hmm. ห้าก the ับบปากน้าดูไปทำไปผูกสาสวนจากซีนถึงเขาพูดไปจับบันยัดเ้าจะงส่ก้นไม้สิเขาจะสิงคุ่มขางครื่องเชือกเค้น่เียรนั่นะแล้วัน่ัน็ากากก็จะหล่าถึงนี่ซีนมี่แหลวเขารอเขอไปกับกุ๊ก เขาหลือไม่ยากเห็นขึ้นเนี่ยเพราะงี้เขาไม่ยาให้เขวไปบางกัวบางเสียขุดไปล่างบางจะดีบางง่าหนี่น่ า, ารักปัจจุบัน นี่ก้อนสางนะพออำนาจสีมีรักษาไว้กายกตัดสจากโรกไข่ไข้เท er ียบมี่กคองใสมืวันนะผีปาชนะเพราะมนุษย์ทั่วไปมีว่าจ่าผีซักคิดเราอันใดจะสูนับถือเสือฟังพออำนาจของสีมีจตจะรักษา มาใจเราตอนเปมารหายิวเยี้มๆ่ไหผ่หวังยังเงรับวามทุกความสบายพอไปเร่งผิ่ไหลชิ้นืึ่ง้นขนทุกข์ใจตัวเฮ้ยเจ้าว่าผิวเป็นชาหรืยังอ่ะเขาจะเป็นใจรักษากระชากมันเพิ่ต่อไปทงหน้ากันสบายจิตใจทงหน้ากันขวนขวย หานงานความดีหน้าหายใจไหกเป็นผีสิงผีอาชัยต้ยะต้องเพื่วไปผใจคขอยคิดค่อยฟ้งให้เจ้ออกเหมนยัง่หสิ้คุทธถึงมือเมื่อดาิดใจเนของคิดไม่โลกเกิดหน้าเคยมีปัญญาใจเย็นเาจหน้าอันใดกหลอกก ตรถึงนคือการพอนาพ่นกระปาธนาแผ่ตัวเปิดหน้าอยากไปลูกยัางการเชืเชือก่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไจะดเป็บง่ายๆเขากจะต้วนฉลุเห็นไม่คือเสียงเรื่องหน้าแ้วเท่งไรมีผู้หอมหล่อหอมม่อหายใจยันได้าเป็นลูกไข่ คื อ, อท่พ่อเจ้าจะดีแสนสุขนุ่กับอปไปใด้ไ่เลยนี่ยือเป็นพิเศษเนาะอย่งนี้ไห น, น, น, น, นเห็นท้างหน้าท้องลุกท้องหลานแต่สินบานจิตใจไปทางไหนเทากับงยาเสนเดิมน้ยก็เปลืนเงี้ยจะเกิดพีเศดยังหรือยังเห็นแล้วอยากดัดข้อใจเห็นผู้ชายเป็นคนเง้ยไปทางไหน คุณสาวแหงนพระบัญกัติก็มีเครื่องดีเขามีเศษแล้วก็อยากเขียนกันได้เขียนอยากเขียนยึดยึดใจลบเบือบ่นอะไอีกคือกล้องง่ามกลองกายกล้องง่ามก็ให่มากแ่เพราะเขาสั่งเอาทเอาไปรักษาศีลเอาไว้อย่างนี้ สถานบริวบด่าด่าคนจะมีันยากพิชาความหูุ่ีย่จะเยอะสลาดสาเตียงคิดอ้างอะไรโมขาดโคิดคนยางนั้นอยู่ในโลกมนุษย์จะเป็นเที่ยทวุฒิเที่ยทัตีดามีคนผนกเหลื่อมใจมีคนอยาดใด้สักราีูชามีคือนึ้นความดี ป่าถนาผู้มน <Yeah. S 2> <karena S 1> ุษย์ทั่วไปแต่นีสมบัติหลายๆมี่รักษาากไะจากจบไข่ไข่เก็บหลังกายซุดงงงแต่ที่ปัญญาลิขชาติเขาหนึ่งเรื่องรอกครอบให้ระป่านาไหนเป็นลูกขาคืออรเดเป็นรเขาคออะไรเดเป็นเมียขอรเรื่อนั้นก่ะตอนใหเกสารพัดกษ์มีความสุขความสบาย มันมียานั่นถามความานอเดียวกันมองให้ความคุ้ความสบายให้่ามากก็พอขนประกอบตาบอดเท้าหลวเกยจคข่านบอกนอนนอนนอได้เดอันไหนเย็ดขเป็นประโยชน์ห้ มจจริงใจขี้เหรียใจเพื่อนสังหารพ่อแม่เง่นท่องขอคามที่านเป็นขี้ขี้ดบดีกรรมบดีที่สร้างไว้ไดีน่เป็นสมบัดิของตัวท้าซาบุล่าเวลูกบอกเนี่ยพ่อแม่ากเก็ลูกต้าเหล็กพ่อ่อยากอายแบบนันเ็คุยบบที่เลื้งคน ยึดพ้นดีให้ไปฌานที่ใดเท่ากับชี้ิตยิ่ง่าคือเป็นพ่อเข้มั้นคือได้เป็นแม่เข้มั้นว่แม่ว่าสอนบอพผมว่าเรื่องแบบิเชื่อปฏิรัตัว็นว่าดีแท้ถึงว่เป็นความท่าแม่ค่ะอย่านี้เนี่ยเจ็ดแขนเข้าใจตัอย่างนี้ฟ้องฟุกเขาดูถอยิ่ง่าเจ้าล้านเล่นทองตัวเขาจะมาเสริมตอนแรกแต่ย้นคลุกพนสบายจนข้างใด แ่นี so ่นายใ่พอกระดุมกรดุมนี้หนีวม่งควนว่าดีเยียมดีแต่แคานั่งเดียวกันงเ่อางเาดียวไวงานเส้นชีเดียไม่เมื่อสางให้ดอกถ้าสาเมื่างให้เดือนชีเมื่อสางให้หน่อข้าวจากขาวสสางเอาสิดางมันมีปัญหาอนไร สั่งข้อมือใส่ายใสใจข้งห้องต่สางในห้องื่นไม่สา่ง้าอื่นันแล้วคิดอนบอกเขาหนี้แต่ยกดีแต่พอทำดีทำดีแล้วก็เกิดผลได้อย่าเากังใาเขาหน้าเราบอไเด้วยซ้ค